ความอดทนอดกลั้นเนี่ยถือว่าเป็นคุณธรรมเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึง่งหรือต้องมีความเพียรเพียรที่จะอดทนเพียรเนี่ยฝึกฝนจิตใจเนี่ยมีความอดทนมีความเพียรมีกำลังใจเราก็จะประสบผลสาเร็จโดยเฉพาะเรื่องการเจริญสติเนี่ยการเจริญสติเนี่ย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 พระสติในตามรู้ทันอยู่เสมอๆก็เรียกความรู้กตัวกลับคืนมาได้มันจะไม่ต่อเนื่องกนเหมือนเหล็กเส้นนะจะเหมือนลูกโซ่เกาะกันเป็นเปลาะเปลาะรู้บ้างหลงไปบ้างเมื่อหลงเราก็รู้มันจะเป็นการต่อเนื่องโดยอัตโนมัติดีก็เราปล่อยหลงไปทั้งนานปวดจะรู้ก็ต้องนานอันเนี้ยจิตใจเราจะไปกับกิเลสนานนะอย่าหลงนาน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 เราจะรู้ต่อเนื่องกายหรือต่อเนื่องจิตก็ได้ตามรู้ไปเรื่อยเื่สติจะมีกําลังจะมีพลังเรียกสติพละการทําต่อเนื่องเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์มากสติจะมีความเข้มแข็งจะตั้งมั่นอยู่ได้นานจะหลงไม่นานหลงแล้วกลับมารู้หลงลกลับมารู้จะหลงไม่นานในพระไตรปิฎกบอกว่าภาาว่าเราเจริญสติที่ต่อเนื่อง การในทุเรียบทตลอดทั้งวันไม่ขาดสายเนี่ยยางเร็วนะเจ็ดวันต่อเนื่องในทุกอเรียบทตลอดทั้งวันเจ็ดวันอย่างกลางก็คือเจ็ดเดือนอย่างเช้าก็คือเจ็ดปีผลเกิดขึ้นก็คือจะเป็นพาาระหันในชาตินี้ถ้าไม่เป็นพาาระหันก็เป็นพาาระนาคามีเนี่ยถือว่าเป็นการเจริตรติที่ได้ผลมากคือทําให้ต่อนเนื่องทีนี้เราทําใหม่ๆเนี่ย ความต่อเ น, นื่องอาจจะเป็นไปไม่ได้อาจจะหลงไปนานจิตสติใหม่ๆอาจจะหลงอัที่เราหลงไปนี่ไม่ใช่หลงไปจากไหนหลงไปจากจิตใจเราคือไปกับความคิดหลงไปจากกายหลงไปจากจิตคือไปกับความคิดเผลอไปหลงไปอดีตบ้างอนาคตบ้างคิดปรุงแต่งแล้วก็ขาดสติปล่อยจิตปล่อยใจให้ไหลหตามความคิด ไม่อายจะเป็นอย่างนี้นะจะมีอุปสรรคมากมายต้องต่อสู้ต้องต่อต้านสารพัดอย่างที่เป็นอุปสรรคของการเจริญสติอันนี้ทัว่าปฏิบททัติย่อหย่อนไปหน่อยอาจจะขาดความเพียรบ้างท้อแท้บ้างจิตตกบ้างอะไรนี้นะอันนี้อาจจะหย่อนไปหน่อยพอเราปฏิบัติไป น, นานๆเนี่ยสติมันก็มีการพัฒนาขึ้นเหมือนกันนะก็พยายามดึงจิตจิใจเรากลับมา ให้อยู่กับปัจจุบันเขาไว้อยู่กับเนื้อกับตัวเขาไว้มารู้กายเขาไว้ดึงจิตกลับมาให้รู้กายรู้สึกตัวเขาไว้ก็ต้องมีการบังคับบ้างมีความตั้งใจม้างกดข่มบัางเป็นสมาธิหนักไปหน่อยเนี่ยเป็นการเพ่งด้วยเจตนาจิตอาจจะเครียดไปแต่ก็ยังมีความสงบอยู่นะอาจจะมีความสงบแต่สงบแบบไม่เย็นสงบแบบร้ลลอนแข็ ง, ขงเกร็เกงเครียด ถ้าก็จิตสมบได้เหมือนกันอันนี้อาจจะตึงไปหน่อยนะอาจจะตึงอาจจะเป็นทุกข์บ้างจะมีอาการมากมายมือสีสับโปสิสับแต่ก็ยังเป็นการปฏิบัติอยู่มันอาจจะตึงไปไม่ย่อนก็ตึงอ่ะก็ดีนะใหม่ๆก็ตึงตึงไว้ก่อนเพราะจิตเราเนี่ยมันเขาจะฟุง้งปรุงแต่งไว้อารมณ์ต่างๆฟุง้งตึงไว้ก่อนเดี๋ยวต่อไปมันก็ย่อนไปได้ไม่ย่อนก็ตึงเนี่ยต่อไปมันจะเข้าใจแล้วก็พบทางสายกลางได้ อันนี้เป็นการเจริญสติสําคัญว่าทีนี้ว่าเราจะทราบได้ยังไงว่าเราเจริญสติได้ถูกต้องหรือไม่อาจจะมีการวัดผลง่ายๆจากการปฏิบัติของเราผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยก็จะไม่เข้าใจนะแต่ก็พอจะรู้ได้จําเอาไว้รู้ไว้ใช่ว่าใส่บากรแบกหามจําเอาไว้แล้วก็ลองไปฝึกดูนะวิธีเราจะทราบว่าเราเจริญสติได้ถูกต้องหรือไม่เราต้อง ดูเป้าหมายว่าเราจะเิญสติเพื่ออะไรเราจะเลิญสติเพื่อให้มีสติจเจริญคือการพัฒนาทาให้มากๆสติคือความระลึกได้จเจรญสติก็เพื่อให้มีสติมากๆไม่ใช่เพื่อความสงบความสงบเป็นเพียงผลจากการจเจริญสติต้องมีสติก่อนและความสงบจะเกิดขึ้นเพราะนั้นการจเจริญสติเนี่ยไม่เน้น ไม่มุ่งเอาความสงบมุ่งให้มีความรู้สึกตัวให้มีสติให้สติเขาทำหน้าที่ไปเดี๋ยวเขาก็จะสงบไปเองเขาจะเกิดญาณปัญญาขึ้นไปเองจะสังเกตว่าสติเนี่ยจะตื่นรู้เด่นเป็นหนึ่งอันนี้ถือว่าเป็นการทาที่ถูกต้องเลยนะมันจะมีตัวรู้เกิดขึ้นแหละสติจะตื่นรู้มีตัวรู้อยู่ในจิตใจเราอันนี้เป็นภาษาพูดนะ อยคิดว่ามันเป็นตัวเป็นตนไม่ใช่คิดว่าเป็นภาษาราม ว, ว่าภาวะสภาวะที่รู้เกิดขึ้นในจิตในใจของเรามันเด่ น, นตื่นรู้เมื่อมีการรู้มีการตื่นก็ต้องมีการเห็นเมื่อสติมันตื่นรู้ก็จะเห็นเห็นกายเห็นจิตเนี่ยชัดเจนเลยจเจนเป็นรูปเป็นนามด้วยกายเคลื่อนไหวอะไรก็สติตามรู้ได้โดยอัตโนมัติ กายจะก้าวไปแต่ละก้าวก็รู้สึกจะเหลียวซ้ายแลกว่าก็รู้สึกแม้กระทั่งกระพริบตาก็รู้สึกกลืนน้ำลายก็รู้สึกนีอันนี้สติมันจะคลอเคลียไปกับกายที่มันเคลื่อนไม่ไหวการยกมือสร้างจังหวะการก้าวแต่ละก้าวลมให้ใจแต่ละครั้งมีสติตามรู้จะเหลียวซ้ายแลขวา่าจับช่วยอะไรสติก็จะคลอเคลียตามรู้กายไปหมด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 เห็นไตรลักษณ์เห็ น, หนมรรคผลนิพพา น, นถึงที่สุดเลยนะเห็นกิเลสละกิเลสแล้วก็ออกจากกองทุกข์ได้อันนี้ถือว่าเป็นลําดับที่ว่าเราจะสังเกตด้ว่าเราจะรู้สติถูกต้องหรือไม่ก็ตรงนี้แหละแล้วอุปนิสัยของผู้ปฏิบัติในตอนเนี้จะมีความเพียรจะมีความขยันจะเจริญสติได้ต่อเ น, นื่องเดินยังกลมก็เดินในานานบางท่า น, นเดินได้ทั้งวันเลยไม่เหน็ดไม่เหนื่อย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 ขยันมันเพียนไม่ย่อท้อบางทีถึงเวลาทานอาหารไม่ยอมทานก็มีนะโอ้อาหารนีดไม่ทานก็ได้จะขยันทําอยู่เรื่อยๆนะเนี่ยจะสังเกตว่าเราทําถูกต้องกับตรงเนี้ยตรงที่เรามีความขยันมากขึ้นไม่เบื่อไม่ท้อแท้กายจะเบาจิตจะเบาการเดินแต่ละก้าวการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งเนี่ยเบาเบา ว, วิวเนี่ยบางที่เขาเรียกกันว่าไล่น้ําหนักน้าหนักัก ห0สิ 60, กิโลนี่ยโอเหลือแค่1020กิโลเท่านั้นเบามากกายเบาใจเบาไม่ใช่ใจเบาเชื่ออะไรง่ายๆนะไม่ใช่คือใจิตใจเนี่ยเบา ว, วิวไม่หนักไม่เครียดไม่ตึงเป็นปกติเบาเหมือนขนนกที่มันปลิวไร่น้ําหนักเบากายเบาใจเนียกายละหูตาจิตตาละหุตาเนี่ยอาการเบาๆเกิดขึ้นเนี่ย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 ยิ่งแน่นยิ่งอึดอัดยิ่งปวดศรีรษะยิ่งเป็นทุกข์เนี่ยไม่ใช่นะการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้เป็นทุกข์การปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อความพ้นทุกข์ถ้าปฏิบัติแล้วเป็นทุกข์เนี่ยยังไม่ถูกทางนะต้องแก้ไขบางคนบอกว่าตอนยังไม่ได้มาปฏิบตัติยังไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่นะยังไม่เครียดยังสบายสบายอยู่แต่พอมาเจอสตินี่เอ๊ะทำไมมันจึงปวดศรีรษะทําไมคลื่นไส้อาเจียนมันเครียดมันเกร็ง คืออัดจิตใจมันหนักอึ้งอันนี้เป็นเพราะเราทําไม่ถูกต้องอย่าไปโทษ ธ, ธรรมะต้องโทษว่าเรายังทําไม่ถูกต้องถ้าเราไปยึดติด ต, ตรงนี้แล้วก็เราจะเห็นว่าอ๋อนักปฏิบัติกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติเนี่มันไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกสู้ไม่ปฏิบัติจะดีกว่ายังไม่ทุกแบบนี้อย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินใจอย่าเพิ่งไปหาเหตุหาผลลองฟังดูแล้วก็ลองทําดูใหม่ลองตั้งจิตตั้งใจใหม่จริตสติแบบเบาๆาง่ายๆ เพราะการปฏิบัติเนี่ยเป็นไปเพื่อไม่ทุกข์นะทำแล้วต้องสดชื่นเบิกบานใจสบายคลายทุกข์ดับทุกข์ได้เพีงเยงแต่เราตั้งตัวใหม่เอาใหม่รู้สึกตัวใหม่รู้ ง, ง่ายๆรู้สึกตัวแบบสบายๆแบบผ่อนๆ่นคลายๆแบบปล่อยวางไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรจากการปฏิบัติแค่รู้เฉยๆไม่ต้องบังคับไม่ต้องห้ามไม่ต้องเพ่ง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 ก็ทำให้จิตใจเราเนี่ยหยาบไปด้วยแต่ถ้าเราวางจิตวางใจแบบสบายๆเบาบๆเนี่ยกระทบอารมณ์มันก็สบายมันก็เย็นมันก็เบาขึ้นอยู่กับใจเราเป็นสำคัญนะเพราะะฉนั้นการวางจิตวางใจชั่วสำคัญมากมันทําให้เราเริ่มต้นปฏิบัติเริ่มมีความสุขละเริ่มทําก็เริ่มมีความสุขแล้วพอเริ่มต้นจากมีความสุขขณะปฏิบัติก็มีความสุขพอสุดท้ายมันก็พบกับความสุขความสุขนี้ไม่ใช่สุขแบบ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 เพราะนั้นขอให้เราปฏิบัติให้ต่อเนื่องกันนานๆทั้งวันได้ยิ่งดีเลยในทุกเรียบทยิ่งดีเลยเป็นการสร้างเห็นถูกต้องก็มากเพียงพอแล้วแล้วก็ผลเนี่ยมันไม่หายไปไหนหรอกเพราะผลจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องสมควรกับเหตุ